งานเป็นส่วนตัวหายากบรรดาท่านพุทธบริษัทมีแต่งานส่วนรวมทั้นี้พ่อไรพ่อตะมาทราบดีเพราวันเวลาของอาตมานี้เหลือน้อยหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปีพศสองพันห้าร้อยสิบแปดเหตุร้ายต่างๆมันรุมเข้ามาทุกด้าน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 เนื่องความเลวในี่ใครเขาจะมายัดเยียดให้เราเพราช่างเขาเราไม่รับซะก็หมดเรื่องถ้าเรามีเรื่อความรู้สึกว่าเราทําถูกก็ทํามันเรื่อยไปถ้าเราไปคํานึงถึงว่าคนนั้นดีคนนี้เลวเราก็ทําความดีกันไม่ได้ต่อต้นี้ไปก็จะขอคุยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อปานบัดบานองโค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 เพราะว่าไล่เลวมันไม่หมดถ้าเป็นทองก็เรียกว่าไล่ขี้ไม่หมด <c oughs> ขี้มันยังเต็มตัวอยู่ก็ตามใจมันจนดาท่านพุทธบริษัทการสร้างวัดวารามที่ไหนก็ตามถูกด่าทุกวัดและบรนดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังใครเขาด่ า, ดาตา ม, มาเพราะมันดาญาติโยมทั้งหลายโดยทุนหน้าก็อย่าไปโกรธเขา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 ต่อไม่ได้ถ้าถึงแม้ว่าจะต่อชีวิตให้ทรงต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของโลกแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าร่างกายของพ่อนีุ่ดโทมมากอีกสามปีมันก็จะเดินไม่ไหวการอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์พ่ออยู่เพื่อทำประโยชน์เท่านั้นคือวเป็นการสงเคาะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีจิตเป็งกุศล การสร้างวัดวารามต่างๆปีละสามแห่งสี่แห่งนี่พ่อไม่ได้ทําเพื่อตนนั้นลูกก็ทําเพื่อบริชาชนผู้มีความดีเพราะการสร้างวิหารธรรมนี้อย่างน้อยที่สุดอย่างเลที่สุดที่บุคคลในหลายมานเป็นมาด้วยดีมีศรัทธาแท้สละจะตัปัจจัยอย่างเลวเขาก็จะไปนั่ง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 จยจะเปรียบเทียบเป็นน้ําก็ต้องเป็นน้ําในพระมหาสมุทรคือเป็นกระแสน้ําใหญ่ที่คนทั้นไหลายตักกินได้แบบสบายไม่เฉพาะคนที่อยู่ใกล้เมื่อท่านบอกแล้วท่านก็ไปพูดกับหลวงพ่อวัดบรรพแหงคือท่านพระครูรัตนาคิรมพระโค้กหูของท่านบอกว่านับจากนี้ไปสามปีท่านจะตาย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 Star